อ่าฮ uh huh. ะก็นั่นแหละตัวนั้นเนะ่ะคือตัวอารมณ์ที่ปรากฏที่เป็นตามพอบจริงอนะนะสัมผัสเท่าที่มันมีอยู่ทำบัตได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วมันก็ตัวเนี้ยมันจะกะประทับอยู่ในจิตได้นานคือจิตมันจะจําไว้ได้นานเพราะจิตเข้าไปสัมผัสโดยตรงคือในช่วงนั้นจิตไม่เข้าไปทํางานโดยการสร้างความคิดที่สังขารนะแต่จิตรับรู้ในสิ่งที่เกิดโดยตรง ซึ่งตรงนั้นจิตจะจําสภาวะได้ได้ได้นานได้ลึกกว่าแล้วก็พยายามให้จิตเข้าไปดูอันนี้เด็ตรงเพราะฉะนั้นตัวตัวนั้นแหละตัวที่จิตเข้าไปรู้โดยตรงกับอาการที่กําลังเกิดนั่แหละเขาเรียกว่าจิตที่ว่าไร้สานึกมันกลับมาเป็นจิตรู้สํานึกที่ท่านพูดถึงเมื่อกี้นะคือถ้าปกติจิตไร้สํานึกเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปรับรู้อะไรกับมันเราจะไปจิตการรู้สำนึกที่มันพาคิดพาปรุงไว้นะ แต่ถ้าเมื่อใดถ้าสติสัมปชัญญะมนถึงพร้อมเนี่ยมันทะลุฝากั่นเขาเรียกอะไรตัวขั้นระหว่างการรู้สานึกกับไรสานึกนะทะลุออกไปเลยมันจะแจ้งทะลุหากันมันเบาใจเบาจอย่างไร้วม่ใช่จะเบามันจะเกิดปิติมันเบาแล้วก็รู้แล้วก็รู้เองไปเลยนะร่างกายเป็นอย่างนี้ตรนี้ตึงตรงนี้แขอะไรรู้มันจะรู้ทั้งมดเอง ตรงนี้เขาเรีวมันจิตมันจะจิตมันจะเข้าถึงกันคือตามบุติแล้วจิตสองตัวเนี่ยเขาจะมีตัวอวิชากั้นอยู่หมายเขาว่าตัวไม่ไม่เข้าไปสนใจไอตัวที่ท่านพูดเมื่อกี้นั่นแหะตัวที่จะทําลายบุษักกั้นกลางระหว่างจิตรู้สํานึก ส, ต, สติในส่วนบนนะกับจิตใต้สํานึกคือสติในส่วนใต้สติในส่วนล่างนี่ก็คือตัวเวทนาเข้าไปดูเวทนาบ่อยๆ เพราะเรกการเข้าไปดูเ็นาทงให้จิตรู้สานึกกับจิตไรสำนึกทะลุหากันการที่จิตได้สำนึ ก, ก, กขเขาเรียกว่าเอาเวกอเวกมาเอาเวกเนมาเนี่ยตนได้หมทนได้ไจะต้องรู้ไปก็ยังไม่รู้ก็ก็ยังไม่อมจนจนไม่ไหวไหแต่ความจริงลักษณะการรู้รูปนามเนี่ยต้องรู้หลายรอบรู้หลายๆครั้งมันจะทาให้จิตของเราจาสภาวะไอตัวรูปนามเนี่ยได้ชัดเจนแล้วมันจะเข้าหาได้ง่ายเหมือนกับเราไปใน ที่ไหนที่แห่งที่เราไม่เคยไปเนี่ยถ้าเราไปแรกๆเราจะจําไม่เคยได้พอจํำพอไปครั้งที่สองมันเริ่มจําได้พอจํำพอไปครั้งที่สามที่สี่ที่ห้ามันเริ่มไปง่ายแล้วบางทีไปแล้วก็ไม่ลําบากนะไปจําทางได้เหมือนกันการจิตผันอารมณ์รูปนามบ่อยๆมันทำให้เขาให้ทําให้จิตเข้าไปสัมผัสรูปนามได้ง่ายเพราะมันเริ่มรู้จักวิธีการั้นจุดนี้เขาเรียกว่าจิตมันค่อค่อย เกิดความชินเชิงนันเกิดความประสีขึ้นเหมือนกับท่านปฏิบัติผู้ที่เข้าฌาญเป็นนะถ้าเข้าฌาญเป็นหนัวท่าก็เข้าได้ง่ายนี่ถ้าหาไอการเข้าสัมผัสรูปนามบ่อยๆได้อารมณ์ปั๊บสัมผัสรูปนามบ่อยๆมันก็จะเข้าไปสู่ตัวอารมณ์ปรมัตดได้ง่ายเพราะตัวต่อไปตัวอารมณ์ที่เป็นรูปนามที่เราสัมผัสได้นี้นะมันก็จะแปลงตัวไปเป็นปรมัตดของมันเองคําว่าปรามัตดก็หมายถึงว่ามันสัมผัสรูปนามได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม เขาเรียกว่าปมัดคือมันธรรมชาตทของมันเองมลูกของมันเองซึ่งมันจะเรียกว่าอะไรทำให้จิตของเราเนี่ยไม่หลงเข้าไปสู่การปรุงแต่งได้ง่ายเพราะอะไรเพราะมันมายั้งอยู่กับตัวอารมณ์ปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อไรจิตที่เข้าหลงเข้าไปอยู่ในการปรุงแต่งมันก็ดึงออกมาได้ง่ายเพราะอะไรเพราะตัวความรู้สึกที่เป็นลูกเป็นน้ำเนี่ยมันเข้มแข็งเป็นปรมัด เราะฉะน้นเขาก็มีผลดีเพราะฉะนั้นเข้าไปรับรู้อารมณ์นามตามภูมิจริเนีบ่อยๆโดยที่จะไปต้องไปสร้างการพิจารณาหรือวิจัยวิจารณ์แชรกมันให้ให้รู้มันเฉยๆเขาปรากฏให้รู้เท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นแต่เพียงแต่ประคองตัวรู้นั้นให้ชัดๆไว้เสมอเท่านั้นเองแล้วเขายามระลึกถึงตัวรู้ชนิดนั้นบ่อยๆแล้วมันก็จะเกิดความชํานาญขึ้น <c oughs> แล้วก็ง่ายขึ้นภูมจริงเป้าหมายการปฏิบัติเราต้องการตรงนี้อืต้องการตรงนี้ที่เราทําความเพียรต่อเนื่องเนี่ยให้ไปถึงพีคมันคือมาจุด น, นี้ แต่ให้มันเป็นหลายๆรอบไฟมันจะเริ่มจะติดไฟเสียงอะไรเลนหุกมอไปที่ที่ก็มองไปแต่ละจิตมันบอกปุ๊บสติพอมองไปปุ๊บจิตมันบอกสติมันเหมือนมันมันไวการเคลื่อนการไหวอะไรมันรับรู้ได้ไวเพราะฉะนั้นในลักษณะการทำความเพียรต่อเนื่องที่ให้อยากให้ทำก็เพราะเพื่อให้มันจิตไม่ได้สัมผัส ของจริงเนี่ยบ่อยๆเพราะถ้าหากว่าเราไม่ค่อยทำความเพียรต่อเนื่องสติสัมผัสมันไม่เข้มแข็งเนี่ยตัวรูปนามมันไม่ปรากฏตามความเป็นจริงรูปนามก็จะปรากฏแบบสัญญาคอยละลึกเอาแต่ถ้าปรากฏตามความเป็นจริงหมายควเข้าปรากฏเข้าเองเพียงแต่เขาเราไปรู้เข้าไปรู้เท่เานั้นเองถ้าทํานี้ไหวจิตของเราก็จะมีพลังมากขึ้นเพราะมันกลับมาสู่ตัวทักจุบันได้ไหวขึ้นนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ต้องอพยายามหาโอกาสทําแล้วก็ เราได้สัมผัสครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงมันไปได้นานคอยระลึกมันเรื่อยๆนะฮะคอยสัมผัสแต่ว่าไม่ต้องไปไปเอาให้ระลึกเหมือนอารมณ์เก่าที่มันเป็นหรอกเพียงแต่ให้รู้ถึงปัจจุบันสมมเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องคอยกำหนดมากๆแหละมันถึงจะรู้สึกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เพียงแต่กำหนดนิดเดีมันก็รู้ละแต่ในช่วงที่มันเป็นมันก็เป็นของมันเองแต่ในช่วงต่อไปเพราะเพราะอำนาจของรูมนามมันจางไปตามธรรมชาติแล้วนะต่อไปมันก็จะรู้ได้ไม่ยากค่อยๆ เรื่องนี้เดียวก็เข้ามาแล้วอ น, นี่ข้อดีของมันเพราะนั้นมันก็ง่ายต่อการที่จะนําไปกําหนดในอิเดียบทประจาวันและลึกรู้ได้ง่ายซึ่งตามบทีท้าสมมติอารมณ์รุ่งน้ำไม่เข้มแข็งเนี่ยมันจะหลุด <c oughs> ใช่ไหมหลุดได้ง่ายเวลาเราไปทําการทํางานเผื่อปั๊บก็หลุดไปเรื่องอื่นพอจะดึงคมวธีก็ยากแต่ถ้าสมมุติเราทายลึกรู้และสัมผัสอารมณ์รุ่งน้ำบ่อยๆมันก็จะไม่เผลอง่ายถึงเผลอไปปั๊บก็ดึงกลับมาได้เร็ว อันนี้ผลดีข้างบนนะทีนี้เราพูดถึงเวทนาหน่อยว่าทำไมเวทนาจึงเป็นตัวสาคัญในการที่จะสื่อตัวรู้กับตัวไอ้ไม่รู้เนี่ยไอ้ตัวตัวสับคอนเชตนหรือติดไ่สำนึกเนี่ยนะหมายถึงว่าตัวที่ไม่รู้ไอ้ตัวที่เรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยโดยสัญญาณเป็นตัวรู้ทีนี้ทำไงให้ตัวรู้กับตัวไม่รู้มันสื่อถึงกันท่านบอกว่าให้ดูตัวรู้สึกที่เป็นเวทนา เพราะตามมูลดจิตของเราไมา่ค่อได้ติดตามเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็จะไปกับความคิดไปกับสัญญาไปสังขารมันไม่ได้ไปกับเวทนาเพราะตามหลังลูกเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างเราจะไปเจอสัญญาสังขารมีอย่ญญาง แ, แต่เราไม่ไปกับเวทนาเพราะฉนี้เวลาเราเจริญสติเราต้องมาดูตัวนี้บ่อยๆความจริงโดยเวทนาตั ว, ว น, ตนี้คือการเคลื่อนไหวระดับละเอียดนั่นเองกายภายในจิตภายภายในจิตภายในกาย คือกายในกายจิตในจิตเองคือตัวเวทนาทีนี้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยไอตัวเวทนามันจะชัดเจนกว่าใช่ไหมคือการแลลุกลื้อเน่ยคือการยกแขนการรื้อู้ในเย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งถึงที่ปรากฏในกายเนี่ยมันปรากฏได้ชัดแล้วก็จิตของเรามันก็จะไม่ค่อยไปติสงบมันจะตื่นตัวมันก็เห็นเวทนาได้ชัดดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเรา รู้รูปนามเนี่ยยิ่งไปรู้เวทนาได้ได้ละเอียดได้ลึกกว่าพราะอยู่ปัจจุบันได้นานใช่ไหมยิ่งอยู่ปัจจุบันได้นานมันก็ยิ่งรู้เวทนาได้ละเอียดลงไปไม่ใช่รู้เวทนาระดับผิวเผินไม่ใช่รู้ระดับเวทนาแบบหยาบเท่านั้นเวทนาแบบละเอียดแล้วก็คอยเรื่องรู้ลงไปในการปฏิบัติมันจะสนุกตรงนั้นก็ดูเวทนาบ่อยๆทีเดียวดูละเอียดขึ้นคือหมายถึงว่ารู้เวทนานี่มันมีอยู่แล้ว่เราไม่ต้องไปสร้างมันมาใหม่ใช่ไหม เย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดหนาวร้อนคันแสบอะไรต่างๆมันมีอยู่แล้วอ่ะแต่ทีนี้ส่วนใหญ่เราสัมผัสวันผิผื น, นใช่ไหมเราไม่ค่อยตั้งแต่ไอาการที่ดูละเอียดเนี่ยก็ไม่ไ ห, หมายความว่าไปหยิบยกขึ้นมาพิจเจนาคิดนะคือหมายความว่าดูอาการที่เวทนาที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยให้นานดูเฉยๆนะดูให้ยาวขึ้น สมมติมันเข้มเนี่ยเราขยับดูนิดนึงว่ามันเปลี่ยนไปไงเออมันเปลี่ยนไปแล้วมันรู้สึกไงต่อไปแล้วอาการอื่นๆก็มีตามมาพ่อพูดถึงเวทนามันกว้างกว้างขวางมากใช่ไหมแ้วแต่ของจุดเท้าเนี่ยแต่วิธีของโกเอกาจะให้พิจารณาทีละส่วนด้วยซ้ำไปนะดูเวทนาทางหัวารอบสิบรอบยี่สิบรอบก็แล้วแต่อต่อไปไปดูเวทนาที่แขนต่อไปไปดูแต่เขาเราได้ดูทั้งหมดเลยดูหลายๆรอบออก มันจะได้มันจะได้ทั่วพร้อมถ้าดูทีละส่วนถ้าว่าสติไม่เข้มแข็งจริงเราก็ไปติดนิวรณ์ติดสงบได้ง่ายนเป็การเพ่งฟางบางจิตยากแต่ถ้าดูทั้งหมดที่จิตของเรามันจะมีแอรียในการรับรู้ได้กว้างขวางตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยมันก็จะเข้มแข็งกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักวิธีการเคลื่อนไหวนี้ได้นะวิธีการอื่นใครจะพูดไปแบบไหนก็จะสอนอะไมันจะเข้าใจหมดเลยเพราะอะไรเพราะอันนี้มันมันครอบคทั้งหมด แต่คนที่สอนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจับมาเป็นส่วนเป็นส่วนนะพวกที่สอนลมหายใจกขาจะเน้นแต่ลมหายใจพวกที่สอนเรื่องของรูปนางเวียนเน้เรื่องรูปนางพวกที่สอนเวทนาเขจะเน้นเวทนาเป็นส่วนๆแต่ไอ้การเคลื่อนไหวเน้นเน้นดูทั้งหมดการดูทั้งหมดนี่เองเพื่อทําให้เราดูได้นานเพราะว่าเหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยมีลานในการที่จะลงทํางานเนี่ยที่ทำงานของจิตกว้างกวามกว่า มันก็สามารถที่จะทําได้นานไม่เครียดแต่ถ้าเราไปดูเป็นส่วนๆแคบๆเนี่ยอ่าที่ทํางานของจิตมันแคบๆพอทําไปสักพักมันก็เบื่อก็เครียดหละใช่ไหมอันนี้เราเอาทั้งตัวเลยเป็นเป็นที่ทํางานของจิตจิตมันก็เหมือนกับมีของเล่นเยอะอะมันก็ไม่เครียดมันก็ไม่เกลง็งใช่ไหมก็ทําได้นานมันก็ได้อารมณ์ได้ไวนอันนี้คือความแตกต่างซึ่งถ้าหากว่าเราเข้าใจความแตกต่างอย่างนี้เราก็จะไม่ไม่สงสัยอ่ะ ใครพูดมาแบบไหนแล้วก็เข้าใจได้ได้ง่ายเพราะว่าไอ้ส่วนที่เราทำเนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดทีนี้มันก็มีข้อที่ต้องพึงระวังในการที่บางครั้งสิติสัญญาเราไม่เข้มแข็งเนี่ยการเราไปลเลืกรื่องรู้ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นเพ่งไปบ้างมันกลายเป็นคิดเอาบ้างไอ้ตัวนี้เพราะฉะนั้นการสังเกตรหรือการกําหนดรู้ต่อเนื่องถึงจําเป็นเพื่อเพื่อเพิ่มกําลังให้สติสัมสัญญะ ในสติมีญาติมีกําลังแล้วไอ้การระลึกรู้อะไรทั้งตัวโดยตามความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งจ้องหรือบังคับกําหนดให้หนักหน่วงถึงจะรู้ไปขยับรู้เท่าที่มันรู้เนะี่ยเตื้ออาศัยเวทนาเป็นหลักก็เวทนานึ่จะเน้นไม่เน้นมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเลยว่าเราต้องการจะดูเวทนาจะได้บางที้ราตั้งนานๆดูเวทนาตั้งนานๆเออเข้มขนาด น, นี้ทนได้ขนาด น, นี้ถ้ามากกว่านี้ไปยังไง เพื่อจะดูได้หลายๆชั้นเนีออถ้ามันเข้มกว่านี้มันเจ็บกว่านี้จิตแล้วไหวยังไงจิตแล้วรู้สึกงไงเวลามันทุกข์มันทรมานหรือมันรู้สึกปวดขึ้นมาจิตมันสร้างความคิดว่าอย่างไรหรือมันดูเฉยเฉยได้หรือเปล่าซึ่งตรงนั้นเราสามารถเข้าไปสังเกตได้เลยเพราะฉะนั้นเวทนานี้ถ้าหากว่าเราแยกภายในเวทนาการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าได้ไวเพราะเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวกําเนิดก่อเกิดของกิเลสทั้งสามตระกูลเลยสุขเวทนา เป็นตัวกำเนิดก็อเกิดของตระกูลโลภะทุกขเวทนาเป็นตัวกําเนิดก็อเกิดของลโทสะอทุกขมสุขเวทนาเป็นตัวกําเนิด ก, อกดอ็อ เ, เ, ก, เอ ก, อกิดของโมหะลั่งเง้าของอกุศลเลยะใช่ไหมก็ไปจากเวทนานี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แจ้งเวทนานี่มันก็จะไปรู้แจ้งเรื่องลั่งเง้านของกิตทั้งสามตัวไอการวิธีการกาจัดไอจิเตทั้งสามตัวมันก็ย้อนมาถึงต้นตรองมันต้นต่องของเวทนาเนี่ยเราช้หนี้ชำนาญแก้ไขเวทนาได้ได้ดีได้ถูก มันก็ไปแก้ไขไอ้ร่างเงากิเรสามทัวได้ถูกอันนี้คือคือที่เน้นเนี่ยเ น, น้นในจุดแต่เวลเราปฏิบัติกรรมฐานส่วนใหญ่เราไปเอาตัวอื่นมาเป็นหลักฉะแล้วเราไม่ค่อยเน้นเวทนามันก็เลยทําให้เลื่อนช้าไงแต่ถ้าถ้าถ้าหากว่าเราเวทนาเราดูเป็นนะมันก็จะปฏิบัติก็สนุกเพราะอะไรเพราะเวทนามันมีงานท่องมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะทั้งเนื้อทั้งตัวมันไม่แต่มันทํางานท้องมาเรื่อยๆ ไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยส่วนใหญ่ก็ทุกเวทานานั่ยแหละเป็นฟื้นเลยแหละเออพอขออ ย, พยับปรับเปลี่ยนสบายเสนหน่อยหนึ่งอ่าเดี๋ยวก็เริ่มขึ้นมาอ่อยู่ยงั้นแหละเป็นรอนอ่ อ, อนแข็งแข็งถึงในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ให้ปฏิเสธแต่ท่านให้ใช้มันให้ถูกต้องเวทานาท่านเป็นสมุนไฟไฟนี่เราไปปฏิเสธมันก็ไม่ได้เราไปรับมันไม่ถูกก็ไม่ได้ ถ้ารับแนทางไม้ถูกมันก็ช็อตเรามันก็ไหมเราเนี่ยถ้าเราปฏิเสธมันเราก็ใช้มันไม่ได้ถ้าเราปฏิเสธมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ไปได้ลูกเรือไฟเราไม่ใช้ไฟอ่าวเราจะแซ่แสไม่สว่างยังไงเราจะใช้ชีตยังไงเราใช้ไฟมือหุมมือโต๊ะมือแกงยังไงนีไหมกาเราใช้มันให้ถูกมันก็จะเกิดประโยชน์พิธนาตรงนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนเขาเรียกว่า energy ทีนี้เราจะต้องมีวิธีใช้พอมีวิธีใช้มันก็เกิดประโยชน์มหาศาลมันก็ไฟ ถ้าใช้ไม่ถูกหรือมันเกิดเองก็เป็นโทษมหาศาลเหมือนกันแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นจุดนี้ลองอศึกษาดูให้ดีเพื่อเราจะได้ปฏิบัติให้มารู้สึกสนุ ก, กนะปฏิบัติเมื่อไรสนุกเมือนั้นไอการที่เราไม่ค่อยปฏิบัติเพราความไม่รู้สึกสนุกไอการที่มาสู่เรื่องปฏิบัติดูเหมือนเป็นเรื่องยากเรื่องเย็นเรื่องน่าเบื่อไอมันแสดงว่าเราไม่เข้าใจและส่วนใหญ่เราก็จะมัจะเป็นอย่างนั้น เรามาค็ได้ติดตาม